ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะข้อ3คำว่าสำมาชีพในทางธรรมไม่ใช่หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตและได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้นแต่หมายถึงการทำหน้าที่ความประพฤติหรือการดำรงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ทำให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นการที่พระภิกษุดํารงตนอยู่ในสมณะธรรมแล้วได้รับปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวายก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุหรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูกอันหนึ่งในการวัดคุณค่าของแรงงาน แทนที่จะวัดเพียงด้วยการได้ผลผลิตเกิดขึ้นสนองความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นความต้องการด้วยตัณหาหรือความต้องการของชีวิตแท้จริงก็ยังไม่แน่ทางธรรมกลับมองที่ผลอันเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลแก่ชีวิตแก่สังคมหรือการดำรงอยู่ได้ดีของหมู่มนุษย์จากความที่ว่ามานี้มีข้อพิจารณาสืบเนื่องออกไป2อย่าง คือก็ก่าว่าโดยทางธรรมความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีวะและผลตอบแทนแยกได้เป็นสองประเภท 1. สําสำหรับคนทั่วไปหรือชาวโลกการใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องของอาชีวะโดยตรงคือเป็นไปเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องอย่างชีพดังมองเห็นกันอยู่ตามปกติ สองสำหรับสมณะหรือผู้สละโลกการใช้แรงงานในหน้าที่ไม่เป็นเรื่องของอาชีวะไม่มีความมุ่งหมายในด้านอาชีวะหรือไม่เกี่ยวกับอาชีวะเลยคือไม่เป็นไปเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องอย่างชีพแต่เป็นไปเพื่อทำและเพื่อพดุงธรรมในโลก ถ้าเอาแรงงานที่พึงใช้ในหน้าที่มาใช้ในการสแสวงหาปัจจัยเครื่องยังชีพกลับถือเป็นมิจฉาชีพและถ้าใช้แรงงานในหน้าที่เพื่อผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีร้องขอปัจจัยเครื่องยังชีพโดยไม่ใช่เป็นความประสงค์ของผู้ให้ที่จะให้เองก็ดีก็ถือว่าเป็นอาชีวะไม่บริสุทธิ์โด ย, น, ยนัยนี้นอกจากมิจฉาชีพอย่างชัดเจน คือการหลอกลวงการประจบก็กินการเรียบเคียงการขู่เข็นบีบเอาและการเอาลาบต่อลาบแล้วการหาเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้เขาเช่นเป็นคนเดินข่าวก็ดีด้วยการประกอบศิลปะและวิชาชีพต่างๆเช่นดูเรือยยามทานายลักษณะรักษาโรคก็ดีก็จัดเขาเป็นมิจฉาชีวะสาหรับพระภิกษุเหมือนกันภิกษุไม่เจ็บไข้ขอโพชนะอันประณีต หรือแม้แต่กับข้าวหรือข้าวสุกมาเพื่อตนเองแล้วฉันก็เป็นวิบัติแห่งอาชิวะเอาธทรมาทาเป็นดังสินค้าก็ผิดจัญญาบันนักบวชแม้แต่เพียงแสดงธรรมโดยคิดให้เขาชอบแล้วอาจได้อะไรอะไรก็เป็นธรรมเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเพียงแต่การให้ของเขามีลักษณะเป็นการให้ค่าตอบแทนก็ไม่เป็นการสมควร ดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้าในกสิพาระทวาเจสูตรขุตกานิกายสุตตนิบาตครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินบาบส่งเข้าไปหยุดประทับยืนในเขตรไร่นาของพราหมผู้หนึ่งพราหมกราบทูนว่าข้าพระเจ้าไถหวานแล้วจึงได้กินแม้ท่านก็จงไถหวานแล้วบริโภคเถิดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์ก็ทรงไถหวานแล้วจึงบริโภคเหมือนกันเมื่อพรามหมไม่เข้าใจและแต่งคาถาทูลถามกลับมาพระองค์ก็ตรัสตอบเป็นคำร้อยกรองชี้แจงการไถหวานของพระองค์ที่มีผลเป็นอมตะพรามเห็นชอบด้วยเกิดความเลื่อมใสจึงนำเอาอาหารเข้ามาถวายพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับโดยตรัสว่า ไม่ควรบริโภคโภชนะที่ขับกล่อมได้มาที่มาอันชอบธรรมและบริสุทธ์แท้จริงของปัจจัยเครื่องอย่างชีพสำหรับพระพิสุก็คือการที่เจ้าบ้านมองเห็นคุณค่าของธรรมและเห็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยให้บุคคลผู้ทำหน้าที่ผดุงธรรมมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่นั้นต่อไปจึงเมื่อรู้ความต้องการอาหารของสมณะเหล่านั้น อันแสดงออกด้วยการเที่ยวบินธบาตโดยสงบแล้วก็นำอาหารไปมอบให้ด้วยความสมัครใจของตนเองโดยที่ผู้ให้หรือผู้ถวายนั้นได้รับผลคือการชำระ จ, จิตใจของตนให้ผ่องใสและชักนำจิตของตนให้เป็นไปในทางสูงขึ้นด้วยการที่ตระหนักว่าตนได้ทำสิ่งที่ดีงามช่วยสนับสนุนผู้บาเพ็ญธรรมและมีส่วนร่วมในการผดุงธรรม เรียกสั้นๆว่าทำบุญหรือได้บุญฝ่ายพิกษุผู้รับปัจจัยฐานนั้นก็ถูกกำกับด้วยหลักความประพฤติเกี่ยวกับปัจจัยสีกว่าพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่เหล่านั้นอันตรงข้ามกับด้านการปฏิบัติหน้าที่เช่นการสั่งสอนแนะนำแสดงธรรมซึ่งพึงกระทาให้มากเท่าที่จะทาได้ โดยมุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับคำสอนฝ่ายเดียวโด ย, น, ยนัยนี้หลักการกินให้น้อยที่สุดโดยทำงานให้มากที่สุดจึงเป็นไปได้สาหรับสมณะโดยที่แรงงานในการทำหน้าที่กับอาชีวะตั้งอยู่คนละฐานอย่างไม่มีจุดบรรจบที่จะให้มีการยกเอาปริมาณแรงงานขึ้นเปรียบเทียบเพื่อเรียกร้องสิทธิในด้านอาชีวะได้เลยและเมื่อสมณะ ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหลักการนี้ระบบของสังคมก็ไม่อาจครอบงำสมณะได้เช่นกันหลักการเท่าที่กล่าวมานี้ทั้งหมดมีความมุ่งหมายที่สำคัญคือการมีชีวิตแบบหนึ่งที่เป็นอิสระจากระบบทั้งหลายของสังคมหรือมีชุมชนอิสระชุมชนหนึ่งไว้ทำหน้าที่ด้านธรรมที่ต้องการความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแก่ชาวโลกข้อพิจารณาในเรื่องสัมมาชีพ ก็ขอมองในแง่ของธทรรมการใช้แรงงานในทางผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบริการก็ตามมีเป็นอันมากที่ไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมนอกจากที่เป็นไปเพื่อทำลายโดยตรงเช่นผลิตอาวุธและยาเสพติดเป็นต้นแล้วก็ยังมีพวกที่ทำลายธรรมชาติแวดล้อมบ้างทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทาลายคุณธรรมความดีงามและคุณภาพจิตเป็นต้นบ้าง ตลอดจนแรงงานในการป้องกันต่อต้านแก้ไขผลในทางทำลายของการผลิตเหล่านั้นแรงงานผลิตจากพวกนี้ส่วนมากถือได้ว่าเป็นความสูญเปล่าและการผลิตนั้นก็มีค่าเป็นการทำลายความจเจริญในการผลิตอย่างนี้โน้มไปนในทางที่ทำให้มนุษย์ต้องทุ่มเททุนและแรงงานอย่างมากมายยิ่งขึ้นในด้านที่จะป้องกันแก้ไขผลในทางทาลายเหล่านั้น ที่เกิดจากการกระทำของตนเองส่วนแรงงานที่เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นการผลิตในทางเศรษฐกิจเช่นชีวิตแบบอย่างทางธรรมซึ่งส่งเสริมทั้งปัญญาและคุณธรรมของมนุษย์แม้มองในแง่ผลผลิตบางทีคุณธรรมก็มีค่ามากกว่าแรงงานที่ใช้เพื่อการนั้นเช่นปิสรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า โดยไม่ได้ใช้แรงงานเพื่อการรักษาป่าเลยแต่เจ้าหน้าที่รักษาป่าอาจบอกว่าท่านช่วยสงวนป่าไว้อย่างได้ผลดีกว่าพวกเขาซึ่งใช้แรงงานเพื่อการนั้นโดยเฉพาะรวมกันหลายๆคนถ้าจะมุ่งถึงประโยชน์สุขของมนุษยชาติอย่างแท้จริงแล้วการมองดูแต่คุณค่าของการผลิตและการบริโภคเท่านั้นหาเพียงพอไม่จะต้องมองดูคุณค่าของการไม่ผลิตและไม่บริโภคด้วย เมื่อมองในแง่ธรรมบุคคลหนึ่งแม้ไม่ได้ผลิตอะไรในแง่ของเศรษฐกิจแต่ถ้าเขาบริโภคทรัพยากรของโลกให้สิ้นเปลืองไปน้อยที่สุดและมีชีวิตที่เกื้อกูลแก่สภาพแวดล้อมตามสมควรก็ยังดีกว่าบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งทำงานผลิตสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตและสังคมเป็นอย่างมากพร้อมทั้งบริโภคทรัพยากรของโลกให้สิ้นเปลืองไปอย่างมากมายแต่ดูเหมือนว่า ลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายจะยกย่องบุคคลหลังที่ผลิตและบริโภคมากรวมทั้งทำลายมากยิ่งกว่าจะยกย่องบุคคลแรกที่ผลิตและบริโภคน้อยทำลายน้อยเป็นการยุติธรรมหรือไม่ที่จะกล่าวถึงหน้าที่ในการผลิตของคนโดยไม่พิจารณาถึงด้านบริโภคว่าเขาทาความสิ้นเปลืองแก่ทรัพยากรมากหรือน้อยเพียงใดและการมุ่งเน้นหน้าที่ในการผลิตนั้น เป็นการเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมแท้จริงหรือไม่การที่เศรษฐศาสตร์สนใจเฉพาะแต่สิ่งที่คำนวณนับกำหนดเป็นตัวเลขได้และปริมาณที่เพิ่มพูนทางวัตถุด้วยถือตนว่าเป็นจำพวกวิทยาศาสตร์นั้นก็จะต้องให้เศรษฐาศาสตร์และลัฐธิเศรษฐกิจทั้งหลายเท่าที่มีอยู่ยอมรับด้วยถึงความกับแคบไม่เพียงพอและความไม่สมบูรณ์ของตน ในการที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่เหนือศาสตร์การยอมรับความจริงเช่นนี้แหละจะเป็นความดีงามและความสมบูรณ์แห่งประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์และรัติเศรษฐกิจเหล่านั้นเอง